คุณทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพคะ่ะรายการสันสนีสนทนานะคะวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m 1 0 6พร้อมกับมีข่าวดีนะคะใครที่ต้องการจะได้รับแผ่น MP3 มบันทึกเสียงการสนทนาระหว่างพระอาจารย์ไยบู์อภิปุณโณและดิฉันสันสนีนาคพง์ในการทารายการนี้ก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ด้วยกติกาที่ ตั้งใจฟังนะคะหลังจากที่จัดรายการไปแล้วดิฉันจะเรียนให้ท่านได้ทราบกลางการรายการค่ะเราไปพบกับพระมหาภัยบูรุอภิปุลโนท่านผู้อำนวยการหลักสูตรหลีก์เรนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีที่จะมาให้ธรรมะกับพวกเรากันในตอนนี้เลยนะคะกราบนมัสการค่ะท่านคะเจมส์พานค่ะก็ยังเหมือนเดิมไหมคะก็นำปฏิบัติก่อนผ่านมีการปฏิบัติกันสั้นๆสักเล็กน้อย หนึ่งตัมบฟังที่ฟังรายการอยู่ก็ให้เข้าสมาธิไปด้วยจะลืมตาหรือหลับตาก็ได้แต่วิธีการทําสมาธินั้นก็คือให้เราตั้งสติขึ้นพระบรราชาบอกว่าบุคคลที่มีสัมมาถสติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทําสัมมาสมาธิให้มีได้อันนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เราจะทําสัมมาถสติให้เกิดขึ้นได้ก็ให้เรามาตั้งสติเอาไว้อยู่กับลมหายใจลมหายใจนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในหลายๆวิธีการ ที่จะให้ตั้งสติเอไว้ได้วิธีการที่เราจะใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือนั้นทำอย่างไรเพราะว่าเราทุกท่านทุกคนก็มีลมหายใจกันทั้งนั้นแต่บางคนก็ไม่มีสติบางคนก็มีสติบางคนที่เขามีสติโดยใช้ลมหายใจนั้นก็คือว่าแทนที่หายใจเข้าหายใจออกแล้วจะไประลึกคิดถึงนึกเรื่องราวอื่นๆนั้นนี้โน้นก็ให้มาคิดตึกถึงเรื่องราวของลมหายใจลมหายใจที่ ผ่านออกผ่านเข้าอย่างเป็นธรรมชาติมันผ่านเข้าผ่านออกอยู่นี้เราไม่ได้ต้องไปตามลมให้ไปถึงในอกในท้องหรือว่าตามลมออกมาข้างนอกลมนี้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแต่เราเอาแค่จุดเดียวคือจุดที่เรารับรู้ถึงสัมบัติของลมบริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจนี่แหละเรารับรู้ถึงลมหายใจได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเรา จ่อตั้งเอาไว้นะที่ตำแหน่งนั้นการที่เราเอาจิตของเรามาจดจ่อตั้งไว้ที่ตำแหน่งนั้นการการะทำเนี้ยกิริยาเนี้ยเรียกว่าสติสติแปลว่าการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้แต่แทนที่เราจะไประลึกถึงเรื่องราวคำพูดนั้นนี้ก็ใหมานึกถึงลหมหายใจคิดถึงลหมหายใจระลึกถึงลหมหายใจ ซึ่งลมหายใจที่ผ่านออกผ่านเข้ามันเป็นยาวๆมันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงไปมันไม่ได้มีตัวเป็นก้อนๆเอาตรงไหนก็คือเอาตรงที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของมันได้เอานะที่จุดเดียวพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่เขาเฝ้ายามยามที่เขาเฝ้ารักษาความปลอดภัยอยู่บริเวณประตูเนี่ยเขาก็จะอยู่บริเวณนั้นไม่ได้ตามคนเข้าคนออกไป จะอยู่บริเวณประตูนั่นเองเช่นเดียวกันจิตของเราที่มารับรู้ลมเนี่ยเรามารู้อยู่หนะ้าที่ตำแหน่งเดียวไม่ต้องตามลมเข้าลมออกอาจจะมีความคิดนึกใดๆผ่านเข้ามาบ้างอันนี้มันธรรมดาเพราะว่าเวลาเราคิดนึกเรื่องนี้แล้วก็มาเรื่องนั้นแล้วก็ไปเรื่องโน้นบางทีคิดสองสามเรื่องไปพร้อมๆกันเช่นเดียวกันขณะที่เรามารู้ลมหายใจเมื่อทีก็มีความคิดนึกนั่นนี้โน้นเหมือนกันธรรมดาแต่ว่าเราไม่เอาจิตของเราเข้าไป ใส่ไปทางนั้นเพระาะว่าถ้าเราตรีตรึกไปในเรื่องใดเนี่ยจิตเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเราหันจิตของเราไปทางความคิดเดี๋ยวเจ้าลมหายใจมันจะลืมไปเราก็หันจิตของเรามาทางลมหายใจสิ่งที่จะมาพร้อมกับลมหายใจก็คือสติจะตั้งขึ้นได้แต่เราหันจิตของเราไปทางความคิดสิ่งที่มาตามความคิดอาจจะเป็นอารมณ์เรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะมามีอํานาจเหนือจิต เราก็ให้หันจิตของเรามาทางลมเมื่อหันจิตของเรามาทางลมสติที่เกิดขึ้นนั้นก็จะมารักษาความปลอดภัยให้จิตของเราได้จิตที่เป็นอย่างนี้กริวกว่าเป็นจิตที่มีสติละพอจิตที่มีสติทำบ่อยๆเข้ามีทักษะดีขึ้นก็สามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้เมื่อมีสมาธิตั้งขึ้นดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเห็นตามที่เป็นจริงในปัจจะต่างๆที่มากระทบ ที่เราพบเจอกันอยู่ทุกวันนี้ทําให้สามารถที่จะเกิดการปล่อยวางเกิดการที่จะรู้เห็นตามจริงปล่อยวางแล้วที่จะเราก็จะสบายมีความเบามีความเย็นไม่ไปตามกระแสโลกได้นั่นเองจุลปกรณสังผกตค่ะก็เหมือนกับว่าท่านกล่าวย้ําในสิ่งที่ยังไงก็ต้องกล่าวแบบนี้ใช่ไหมคะวิธีเจริญสติด้วยอนาปานาสติถ้าเป็นอนาปานาสติก็ต้องแบบนี้แหละเพราะนะพระพุทธเจ้าเอง เวลาท่านไปเทศที่ไหนเรื่องอานาปานาสติท่านก็จะยกบทเพยนชนะเดิมๆทีนี้ตรงบทเพยญชนะที่ท่านอธิบายเนี่ยนะคื อ, อคื อ, อเวลาพระพุทธเจ้าเจริญอนาปานาสติก็จะเหมือนกับคนอื่นๆที่เขาเจริญอนาปานาสติกันนะคือสภาวะจิตจะเหมือนกันทีนี้เวลาที่ท่านกําหนดบทเพยนชนะบอกเล่าออกมาเนี่ยบางีท่านก็จะเอาอาการแบบนี้3ามสีอย่างนี้มารวมกันแล้วก็ให้นิยามว่าไอ้สิ่งเนี้ย คืออันนี้อยเช่นบางทีคนที่นั่งสมาธิเนี่ยเขาจะมีอาการเหมือนกับว่าตัวมันตกลงไปตกเหวหรือว่าลอยขึ้นมาหรือว่ามีอะไรมาคันยุบยิบเหีย้ยงพวกนี้นะหรืออาจจะแบบมีเหมือนเป็นแสงสว่างอะไรพวกนี้หลายๆคนก็จะมีอาการแบบนี้เหมือนกันแต่นี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้พูดเรื่องราวเหล่านี้ในพระสูตรเลยนะแต่สิ่งต่างๆที่เราเกิดขึ้นเช่นรู้สึก ตกเหวรู้สึกรอยขึ้นมีแสงสว่างคันยุบเยีบเนี่ยพระพุทธเจ้ารวมมาเรียกว่ามีการปรุงแต่งทางกายหรือว่ามีการปรุงแต่งของจิตเนตรงนี้คือจะอยู่ในส่วนนี้แต่ว่าอาการของจิตแต่ละคนเนี่ยมันเยอะแยะมากมายอะ่ะบางคนจะรู้สึกคันบางคนจะรู้สึกเหมือนกับร้อนๆ้อนหนาวหนาหโหยยแยะไปหมดแต่เพรา ะ, ะนั้นตรงนี้ท่านจึงรวมกันเข้ามาแล้วก็ให้นิยามไว้บัญญัติศัพท์เอาไว้ว่าตรงนี้คือการปรุงแต่งทางกายนะ อันนีกก้การปรุงแต่งของจิตนะอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มีสมติอยู่กับลมะถัดไปก็ทําการปรุงแต่งเหล่าเนี้ยให้มันระงับไปแล้วก็มีสติอยู่กับลมเป็นแบบนี้ค่ะสาธุค่ะแล้วทคิดว่าท่านได้กล่าวในสิ่งที่ผู้ปฏิบัติที่ยังยังเคลื่นนอนยังสงสัย อ, อยู่ครับางทีบางทีก็ไม่ใช่เริ่มนะคะแต่เอะจะเกิดอาการ บางคนก็คิดว่าโอ้เพื่อเราเก่งมากใช่ไหมคะเขาเห็นแสงสว่างปฏิบัติมาพร้อมๆกันเนี่ยเราก็ยังไม่สว่างเรารู้แต่ว่าจิตไปคิดอย่างโน้อนอย่างนี้อืการที่กิด จ, จิตไปคิดอย่างโน้อนอย่างนี้กับการที่มีอาการปรุงแต่งของจิตดังที่ท่านได้กล่าวแล้วเนี่ยนะคะเหมือนกันไหมคะอันนี้ไม่เหมือนกันแน่นอนไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะว่าเวลาที่เรามีความคิดอันนี้คือเป็นลักษณะแบบเอ มีการความคิดที่เป็นสัญญาเป็นเวทนาพวกนี้น ะ, ะก็เป็นการปรุงแต่งแบบหนึ่งแต่ในขณะที่แสงสว่างหรือว่าเสียงที่อยู่ภายในนี่ก็เป็นการปรุงแต่งอีกแบบหนึ่งนั่นะคือเป็นการปรุงแต่งของจิตเหมือนกันแต่ว่ามนันคนละแบบกันจะวื้หวาไม่เท่ากันนะวื้วว้าไม่ไม่ไม่เท่ากันแต่ว่าเป็นการปรุงแต่งของจิตเหมือนกันนะค่ะงั้นถ้าในคําถามของดิฉันที่ดิฉันสงสัยดิฉันคิดว่าคําตอบที่บอกว่า เหมือนกันเนี่ยคือคําตอบที่ที่ทําให้ดิฉันเข้าใจมากขึ้นคือมันก็ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งเหล่านั้นพระพุทธองค์รวมเรียกว่าการปรุงแต่งของจิตอย่างนีง้ถูกไหมคะเพียงแต่ตตในรายละเอียดเนี่ยจะไม่เหมือนกันอืมใช่ค่ะแล้วทีนีใน้ในการปรุงแต่งของจิตเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นแสงหรือเห็นความคิดพวกนั้นคือคือคบางคนต้องการจะนั่งสมาธิเพื่ออะไรเพื่อจะแก้ปัญหาบางอย่างในชีวิต มีปัญหาในโรงงานมีปัญหาที่ทํางานจะแก้ยังไงอันนี้คือมองมามองดูความคิดของตัวเองใช่ไหมคือเอาเอาพลังสมาธิเนี่ยจ่อเข้าไปในเรื่องที่ต้องการคิดนั้นมันก็คิดคิ ด, ค, ดคิดไปเอออาจจะแก้ปัญหาออกมาได้มีความคิดแบบใหม่ น, นี่ก็เป็นการแก้ปัญหาแบบหนึ่งหรือบางคนนั่งสมาธิต้องการเห็นแสงเห็นนรกสวรรค์เห็นอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็เป็นการปรุงแต่งของจิตไปอีกแบบหนึ่งใช่ไหมทีนี้นั่งสมาธิเนี่ยจุดประสงค์ไม่ใช่เห็นพวกนี้เลยนั่นไม่ใช่ จุดประสงค์การนั่งสมาธิทำสมาธิเนี่ยเพื่อที่ต้องการเห็นตามที่เป็นจรงิงต้องการเห็นตามที่เป็นจริงในสิ่งต่างๆที่เราไปรับรู้รวมทั้งการปรุงแต่งต่างๆนั้นด้วยเห็นตามที่เป็นจริงในนั้นอันนี้ถือว่าสำเร็จประโยชน์ของการเจริญสติเจริญสมาธินั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องของการเจริญสติหรือว่าการทำสมาธิเนื่องจากว่าปรากฏการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคนทำเท่านั้นเราถึงจะรู้ชัด ว่าเกิดอะไรขึ้นดังนั้นความสงสัยนะมันจึงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเอเราจะไปถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจเหมือนกับที่เราเห็นหรือไม่แม้กระทั่งบางทีก็ยังไม่มั่นใจนะคะในกรณีที่มีครูบาอาจารย์นะคะเหมือนกับว่าเออที่เราเล่าไปหรือว่าเราเชื่อว่าท่านมีความสามารถมียานใช่ไหมคะมีความรู้ที่จะรู้ได้ในสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยท่านรู้จริงหรือเปล่า เดีฉันก็เลยคิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อันตรายถ้าหากว่าไม่พยายามทําความเข้าใจให้ดีแล้วเราก็สงสัยอยู่นั่นแหละสงสัยไม่สิ้นสุดใช่ใช่ในตัว น, นี้มีอุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้าเปรีย บ, บเทียบแต่ว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยเหมือนกับไปการไปจับงูพิษการศึกษาธรรมะเนี่ยเหมือนกับการไปจับงูพิษซึ่งถ้าจับไม่ดีทําไม่ถูกเนี่ยเกิดอันตรายได้ นเกิอันตรายที่จะเราจะอาจจะถูกงูกัดได้ในต ะ, ะเปรียบเทียบตรงนี้แต่ก็คือเปรียบเหมือนกับคนที่มาศึกษาธรร ม, มพยายามทําความเข้าใจแต่ว่าดันปฏิบัติผิดทําไม่ถูกเข้าใจไม่ถูกแทนที่จะรับประโยชน์กว็ว่าฟุ้งซ่านไปเป็นบ้าไปหรือว่าเอาธรรมนี้ไปใช้ในทางที่จะทิ่มแทงคนอื่นอันนี้คือได้รับผิดงูและถูกงูกัดละแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราศึกษาถูกทำนะมาถูก ก็สามารถที่จะปฏิบัติได้นะพอปฏิบัติได้ปุ๊บกิเลสมันออกไปจากใจกิเลสออกจากใจราคะโทสะโมหะลดลงเฮ้ยจิตใจมีความสว่างมีความเบามากขึ้นเออ น, นี้ก็เรียกว่าได้ประโยชน์จากพิษงูนั้นจนะได้ประโยชน์จากพิษงูนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่ว่าเราจะปฏิบัติถูกได้ตรงเนี้ยคุณโยมติวมันเป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจโดยอัตถะด้วยโดยพยัญชนะด้วยเนอะคือคือไม่ใช่ว่าโดยพยัญชนะอย่างเดียวเป๊ะ คุณอ่านปุ๊บ อ, อพระพุทธเจ้าว่างนี้อ๋อฉันเข้าใจเลยคือเราต้องทําความเข้าใจในความหมายเบื้องลึกตรงนี้ด้วยไงแต่จริงต้องมีทั้งอัฏฐะและพยัญชนะที่สําคัญในคําสอนของพุทธะเนี่ยต้องมีสองส่วนนี้เสมอท่านผู้ฟังที่ฟังทันตั้งแต่ตอนต้นของรายการทุกวันเนี่ยก็จะได้รับรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องความลังเลสงสยัยความเคลือบแคลงก็จะ คลายลงไปและถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามต่อเข้ามาในรายการได้นะคะได้ปส่งตรงไปที่ท่านเพยบู์เลยก็ได้ p พียวธรรมะดอทคอท่านคะก่อนที่จะเข้าไปสู่ถึงคำถามซึ่งวันนี้เป็นคำถามของคุณจากฤีเนี่ยนะคะเลียงขออนุญาตที่จะกราบเรียนท่านผู้ฟังถึงการที่ท่านเพยบู์ได้เมตตาให้รายการนี้แจก MP3 สบันทึกเสียงการสนทนาถามตอบจะได้ ไปฟังเพื่อที่จะทําความเข้าใจให้มากขึ้นเพราะธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ฟังแต่ละครั้งจะรู้สึกไม่เหมือนกันท่านจะหน้าซองถึงตัวของท่านเองนะคะแล้วก็ส่งซองส่งสแตมยี่สบาทคือคือรู้สึกจะติดสแตมยี่สบาทยังไงเนี่ยนะค ะ, ะ, คะเพื่อให้ทางสถานีเขาจัดส่งกลับไปให้ท่านส่วนท่านจะส่งซองไปที่ไหนยังไงท่านโทรไปที่เบอร์นี้นะคะศูนย หนึ่งสองหกหกหนึ่งศูนย์หกอีกครั้งนะคะศูนย์สองหนึ่งสองหกหกหนึ่งศูนย์หกจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลท่านอยู่ค่ะอืมเอ่อซีดีอันนี้ก็เป็นซีดีที่เราบันทึกเสียงกันในช่วงรอบอ่สิบสองเดือนที่ผ่านมาค่ะมา่มก็เลือกตอนที่มันน่าสนใจดีๆไว้สักประมาณห้าสิบตอนบรรจุไว้ในซีดีเป็นชุดหนึ่งก็มีสองแผ่นด้วยกัน แผ่นแรกนี่เป็นที่สนทนาตามกับคุณยมติ๋วเนีประเด็นเรื่องอะไรน่าสนใจก็อยู่ในแผ่นนี้ส่วนในแผ่นหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของนิทานธรรมบทที่เอามาเคยมาเล่าให้ทัมบูฟังฟังในช่วงต่างๆก็เอามารวมอยู่ในแผ่นหนึ่งในเป็นซีดีชุดซีดีที่มี2แผ่นด้วยกันก็มีหลายคนฟังอันนี้แหมถ้าดิฉันพูดเองก็น่าเกลียดนะคะแต่เขาก็ชอบกันนะคะเออใช่ใช่ก็จะมีคนโทรบอกว่าเออดีดีด คุแม่ดิฉันนี้ก็ฟังประจําค่ะทีนี้มาถึงคําถามคุณจักริด<ช>คุณจักริดนี่ก็เป็นผู้มีปัญญานะคะเพราะว่ามีความรู้เยอะแต่ว่าต้องการรู้ชัดมากขึ้นก็ถามมาเกี่ยวกับคําที่เราจะได้ยินเวลาเราศึกษาพระพุทธศาสนาคําว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคุณจักริดเขสงสัยว่าเขาเนี่ยเข้าใจถูกไหมนะคะว่าคําว่าผู้รู้เนี่ยเข้าใจว่าคือรู้อริยสัจสี่ คำว่าผู้ตื่นก็คือผู้ตื่นจากกิเลส ท, ทั้งปวงราคะโทสะโมหะอืส่วนบผู้เบิกบานนั้นคือผู้ที่สิ้นกิเลสใช่หรือไม่มและความหมายของคนที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้ใช้ได้เฉพาะกับพระพุทธองค์เท่านั้นหรือเปล่าคะโอเคในคําถาอคุณจักริดที่บทเพียรชนะที่คุณจักริดถามถึงว่าผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยนี่คือภาษาไทยนะภาษาไทยะนะมาจากภาษาบาลีคําว่าอะไรใ น, นภาษาบาลีเนี่ยเขาใช้คําเดียวเลยคือคำว่าพุทโธพุทโธที่เราเคยได้ยินกันเป็นประจำเนี่ยนะเขาจะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะ ค, คือคือคําเดียวในบาลีพุทโธเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยได้ทั้งสามคำนะรู้ตื่นเบิกบานนะสามคำนี้เอาทําไมถึงแปลว่าได้อย่างนี้นะเพราะว่า คำว่าพุโทโธเนี่ยจริงๆเป็นพุธทพธพจน์ด้วยนะคุณหยงเตี้ยวคืออย่างในบทอิตธิปิโสใช่ไหมที่เราสวดกันอย่างเงี้ยอิทิปิโสพักควาอารัางสัมมาสัมพุโทโธอย่างเงี้ยวิชาจารณะสัมปนโนยสุกโตโลกาวิทูแ ล, แล้วก็จะมีคำว่าพุโทโธและภักควาเนี่นี่คือคุ ณ, ณสมบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพุโทโธด้วยอันหนึ่งเพราะฉะนั้นทราบว่าพุโทโธเนี่ยที่คุณจะเิยเข้าใจว่าใช้กับพระพุทธเจ้าอันนี้อันนี้ถูกละแต่ทีนี้คำว่าพุโทโธนะคำเดียวตรงนี้เป็นภาษาบาลีนะ โดยโบทเปรียญชนะมีอย่างนี้แล้วโดยความหมายเนี่ยจะมีความหมายที่ท่านแยกแยะแจกแจงเอาไว้ถึง15น่ายยาด้วยกันในอย่างที่คุณจักริดยกมาว่าคือการรู้อริยสัจสอันนี้ใช่อันนี้อันหนึ่งอันละนะตื่นจากราคาโทสะโมหะอันนี้ก็ถูกด้วยนะแล้วก็เบิกบานจากการที่ไม่มีราคาโทสะโมหะครอบงำอันนี้ก็ใช่อีกแล้วยังมีการรู้ขันห้ายมีการรู้อริยตนะ6ที่ท่านแจกแจงเอาไว้เนี่ยมีทั้งหมด15บน่ยยาด้วยกัน เดีี้ที่ว่าแจกแจงแจกแ จ, ง, แจงเนี่ยใครแจกแจงเอาไว้เนะ่ยเพราะว่าตัวพระองค์เองเนี่ยไม่ได้เคยมาเจาะลงไปนาฬาละเอียดหรอกว่าไอ้ที่อิติปิโสพระความสมาสมาสมภูทโตทเนี่ยแต่และอันละอันเนี่ยคืออะไรอะไรเดี๋ยวจะมีบ้างอย่างเช่นคําว่าอธิบายคําว่าสมมาสมุทธต ท, ทาไมพระองค์เป็นสมมาสมภูทโตมีระบุไว้เพราะว่าสอนอริยสัจสีได้ อ, อธิบายคําว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้เพราะอะไรเพราะว่า สอนเรื่องเรียสัตวสีสอนตั้งเทวดาได้ก็จะมีอธิบายเอาไว้แต่ไอ้ตรงคําว่าพุทธโธเนี่ยท่านจะไม่ได้อธิบายของต่านเองไว้นันนี้คือบเทเรียนชนะนะแล้วก็มีครูบาอาจารย์เป็นอัตถกถาที่ท่านจะยกขึ้นมาคำว่าพุทธโธเนี่ยหมายถึงว่ารู้เรื่องราวเหล่านีนะ้เป็นทั้งหมด15บนื้ยะยด้วยกันอันที่ก็มีรวบรวมกันเอาไว้อยู่ในส่วนที่เป็นอัตถกถาแต่ที่นีใน้ในการศึกษาคําสอนของพุทธะเนี่ย มันอย่างที่อาตมาพูดไปตอนต้นว่ามีทั้งส่วนที่เป็นบทเพลงชนะและส่วนที่เป็นอัตตะในส่วนที่เป็นอัตตะการศึกษาส่วนที่เป็นอัตตะเนี่ยเพื่อที่จะให้เข้าใจแม่บทเดิมในะแม่บทเดิมคือพุทธพจน์ ท, ที่พระพุทธเจ้าอธิบายเนี่ยว่าหมายถึงอย่างนี้นะทีนี้คําว่าพุทธโธเนี่ยพอเราเข้าใจความหมายว่าอารู้อริยสัจสเข้าใจขันห้าและตัณหาได้พวกนี้เนี่ยทำให้เราจะรู้ถึงคุณอื่นๆนแยกกันออกไปอีก เระฉะนั้นคำว่าพุทโธเนี่ยจะไม่ได้ใช้กับสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นในผู้อื่นที่เป็นพุทโธก็มีอย่างเช่นพระสารีบุตรนี่ก็เป็นพุทโธได้แต่ว่าเป็นพุทโธคือรู้ตื่นจากไอ้เจ้าขันห้าอเยตนะ6กทั้งหลายเนี่ยตามตามตามที่สัมมาสัมพุทธสอนนะตามที่สัมมาสัมพุทธสอนสัพท์ตรงเนี้เขาจึงมีคำว่าอนุพุทโธขึ้นมาอนุพุทโธนะอนุแปลว่าตามอย่อนุชายเงี้ยนะคือแบบน้องชายตามพี่มาเงี้ยนะ S <S อ น, นุพุทธโธก็คือเป็นพุทธโธ ท, ที่ตามสัมมาสัมพุทธโธมามนะเพราะฉะนั้นเราสาวกอรันสาวกทั้งหมดเลยก็เป็นพุทธโธเหมือนกันแต่เป็นพุทธโธทเรียกวอนุพุทธโธสัพท์คำว่าอนุพุทธโธเนี่ยมีใช้เรียกอยู่นะพระพุทธเจ้าตรัสถึงบุคคลที่ตรัสรู้ตามพระองค์ก็จะใช้คําว่าอนุพุทธโธนี้แตนะทีนี้พอพูดภาษาบาลีมันก็เข้าใจกันเลยไงไม่ต้องมาแปลกันอีกใช่ไหมค่ะทีนี้สองคำแล้วนะคำว่าพุทโธคือสัมมาสัมพุทโธ ละอนุททพุธโธสมมาสมพุธโธเนี่ยคือรู้เองด้วยแล้วก็สามารถสอนคนอื่นให้รู้แจ้งตามด้วยคนอื่นที่รู้แจ้งตามก็คืออนุพุธทโธทในที่นี้จะมีพวกที่รู้เองแต่ว่าสอนคนอื่นได้อยู่แต่ว่าคนอื่นนั้นจะรู้แจ้งตามไม่ได้นัอันนี้เขาเรียกว่าปัจเจกพุธโธนะคศัพท์คําว่าปัจเจกพุธโธเนี่ยพระพุทธเจ้าเองก็ก็ตรัสอยู่เป็นเป็นบุตรบดเหมือนกันเคยยกตัวอย่างถึง พระปัจเจกพุทธเจ้าในสมัยก่อนๆแล้วก็มีคําสอนเรื่องนี้เคยยกตรงนี้มาอยู่แต่ก็จะไม่ได้อธิบายคํานี้ลงไปว่าปัจเจกกับพุท ธ, ธะหมายถึงอะไระเพราะว่าตอนนี้เป็นภาษาบาลีฟังแล้วคุณก็เข้าใจเลยลเพราะฉะนั้นในคําถามของคุณจักกริตที่บอกว่าคําว่าพุโทโธเนี่ยใช้กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นใช่หรือไม่ในคําตอบก็คือใช้กับพระพุทธเจ้าด้วยใช้กับสาบวกด้วยแล้วก็มีกระดับหนึ่งคือปัจเจกพุโทโธด้วย นั่นมีมีสมระดับในคำว่าพุทโธตรงนี้ทีนี้อนุพุทโธเนี่ยแตตรงนี้อนุพุทโธเนี่ยไม่สามารถสอนได้แบบสัมมาสัมพุทโธแตกล่าว่าไม่สามารถสอนได้แบบสัมมาสัมพุทโธก็คือต้องสอนตามที่สัมมาสัมพุทโธสอนแต่สัมมาสัมพุทโธสอนยังไงอนุพุทโธรู้แล้วใช่ไหมเป็นพุทโธขึ้นมาละจากคนที่ไม่ได้เป็นพุทโธเนี่ยก็เป็นพุทโธตามมาก็เป็นอนุพุทโธใช่ไหมทีนี้อนุพุทโธที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยจะบอกต่อสอนต่อได้ไหมได้ ก็บอกต่อสอนต่อ ต, อตามที่สัมมาสัมพุโธสอนการบอกต่อสอนต่อตัวเนี้ยจึงไม่ได้เป็นผู้สอนคนแรกไงไม่ได้เป็นผู้สอนคนแรกแต่ว่าสอนตามที่สัมมาสัมพุโธสอนอย่างเงี้ยนะอ่าเพราะฉะนั้นก็สอนได้แต่ว่าสอนตามที่สัมมาสัมพุโตสอนเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าตัวเองเป็นผู้สอนเองก็ไม่ใช่เพราะว่าคอนเทนต์เนื้อหาคุณไม่ได้คิดขึ้นเองคุณคุณสอนตามเขาก็ต้องยก ค, คนที่เขาเป็นต้นฉบับตัวนั้นคือสัมมาสัมพุโตอย่างเงี้ยทีนี้ถ้า สมมุติว่าไปสอนแล้วบอกนี่ของฉันเองเนี่ยนะอันนี้คือขโมยธรรมะขโมยธรรมะกล่าวตัวพระพุทธเจ้าแต่ว่าถ้าโค้ดคนที่เป็นต้นฉบับคือสมณะสมุโทโตแล้วก็ไปบอกสอนอันนี้ก็คือสามารถทําได้พระพุทธเจ้าให้ทาด้วยอนุพุโทโธเนี่ยช่วยกันบอกต่อสอนต่อคนรุ่นต่อๆไปเจนพันค่ะนะคะสาธุค่ะก็เข้าใจกระจ่างชัดนะคะสำหรับคุณจักริด แล้วดิฉันปล่อยได้รับความรู้ไปพร้อมๆกับท่านที่ยังไม่รู้ด้วยว่า อ, อ๋อพุทโธนี่ไม่ได้ใช้แค่พระพุทธองค์แต่จะว่าไปแล้วนะนะคะถ้าคําพุทโธพุ่ทนท่วนใ น, น, นต้องพระพุทธเจ้าถูกไหมคะถ้าจะไปใช้กับคนอื่นต้องบวกคําอื่นเข้าไปด้วยอคือพุทโธเนี่ยเป็นคําทั่วๆไปคุณยมติวเป็นคำทั่ ว, วไปถ้าเราจะเฉพาะเจาะจงมาที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสับเดิมที่ท่านใช้ก็คือสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธ ในอย่างอย่างอย่างเช่นว่าบางทีในสมัยพุทธกาลอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าตอนนั้นประมาณสัก5ปีแรกนะของการประกาศศาสนาช่วงช่วงสองสาปีแรกนี่แหละแล้วก็สเสด็จไปที่เมืองเมืองหนึ่งเกเนียเชลินเกเนียเชลินเนี่ยคือเป็นนักบวชที่เขาใส่ชดาเป็ น, นนักบวชที่เขาใส่ชดาอยู่ตามริมแม่น้ำเนี่ยพอรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเขาจะใช้คําว่าอรหันตัดสัมมาสัมพุทโธเนี่ยสเสด็จมาอยู่นี่ก็เลยแบบ ไปเข้าเฝ้าแล้วก็นิมนต์พระบรุตรเจ้ามาฉานอาหารในวันรุ่งขึ้นดังนั้นได้เตรียมหารอะกันต่างๆเนี่ยมีพรามชื่อเสรารพรามามาถึงที่สํานักของเกีริยาชลินก็ไ อ, อ้คุณทําอะไรกันเนี่ยทำไมแบบโอ้โหข้าวของเยอะแยะคนทํานั่นทนํานี่ใครจะมาพระราชาเสด็จมาหรือว่าอะไรใเกณริยาชลินนี่ก็บอกว่าอารหันสัมาสัมพุทโธนี่จะม า, าพูดอย่างเงี้ยอรหัน์สัมมาสัมพุทโธนี่ยจะม า, าเสรารพราม์เนี่ย อะไรนะคุณบอกว่าพุโทโธเหรอพุโทโธคือใช้คํานี้ใช้คําว่าพุโทโธคือคําสุดท้ายนนะนมมาเนี่ยนะอรหันต์สัมมาสัมพุทโธนี่เกเรียชลินพูดเสล่าพราหมบอกอะไรนะคุณบอกว่าพุโทโธเหรอนะคุยกันอย่างเงี้ยสามรอบแต่นะพราะว่าคําว่าพุโทโธเนี่ยก็มีในพวกตํารา ข, ของพวกพรามนะก็มีคําว่าพุโทโธเดี่ยวๆโดดๆเนี่ยนะมีคํานี้อยู่ความหมายเดียวกันด้วยค่ ะ, ะความหมายเนี่ยคื อ, ค, อคือเขาจะพูดถึงว่า คือในตำราของพวกพราหมณ์เนี่ยก็จะเป็นตำราถ่ายลักษณะไงคุณโจ๋ติวเป็นเหมือ น, น, นกับคมภีดูงอเหงอย่างเงี้ยก็บอว่าคนที่มีลักษณะแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นพุทโธนะลักษณะแบบนายก็มหาบุรษษุษ 3- สิประการนะแล้วก็จะมีอาชีพยอยู่2อาชีพเท่านั้นนะคือ1ไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นอรันตะสัมมาสัมพุทโธอย่างเงี้ย เ, เขาก็มีในคมภีร์ของเขาแต่ทำให้เสนาพราหมณ์ย้ําถึงคําว่าพุทโธตรงนี้แต่ถ้าใช้ในลักษณะนั้น ในสมัยที่ยังมีพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยก็จะหมายถึงสัมมาสัมพุทโธเท่านั้นในสมัยที่ยังมีพระพุทธเจ้าอยู่นะ<ม>คือ ถ, ถ, ถ้าสมัยไหนยังมีพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยจะไม่มีพระปัจเจ ก, กพุทโธอุบัติขึ้นไม่มีอ๋เราทําความเข้าใจนิดนึงนะ<อ>คือถ้าสมัยไหนมีปัจเจกพุทธะสัมมาสัมพุทโธก็ไม่มีถ้าสมัยไหนมีสัมมาสัมพุทโธอ๋อสมัยนั้นปัจเจกพุทธก็ไม่มีโอเคนะ อ ย, อย่างเช่นสมัยนีย้สมัยนีย้เอาเอาแค่สมัยช่วงพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ามีประชนชีพยอยู่4ี่สปีเนี่ยอันนี้แน่นอนว่าคําว่าพุทธโธอะไรก็ตามที่หมายถึงตรวนั้นถ้าหมายถึงตัวบุคคลก็คือจะหมายถึงสัมมาสัมพุทธโธแต่ถ้าหมายถึงหมวดธรรมะที่ว่าคุณเกิดพุทธโธขึ้นในใจอันนี้มีใช้อยู่ทั่วไปนะสัมพุทธโธสัมโพธายะอันนี้คือคําหมายคําที่เป็นความหมายเดียวกันหมดรู้ยิง่งรูปรามนิพพานนะีคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ที่เราที่เราจะได้เคยสวดกันในบทธรมกกรมจักรกปวัตนสูตรเนี่ยที่บอกว่าคําสอนนี้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความระงับเป็นไปเพื่อ น, นิพานเนี่ยจะมีคําว่าสัมโพธายะ <Okay. S 1> ก็คือผู้โธอีกเหมือนกันสัมพุโทโธตรงนี้เหมือนกันอันนี้เป็นความหมายในด้านของธรรมะนะก็จะมีใช้ทั่วไปสาวกคนนี้ก็มีสัมโพธายะเกิดขึ้นอันนี้ก็ใช้ได้แต่โดยทั่วๆไปถ้าใช้หมายถึงบุคคล ก็จะหมายถึงสัมมาสัมพุโทโธเท่านั้นนะอทีนี้ในช่วงสมัยนี้พระพุทธเจ้าปฏินิพพานไปแล้วแต่คําสอนของท่านก็ยังมีอยู่เพราะฉะนัะะ้นก็จะไม่มีปัจเจกพุทธะเกิดขึ้นจะไม่มีอสมัยของเราเเนี่ยนะคะอ่าสมัยที่เรามีชีวิตยอยู่ปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีมปัจเจกพุทธะเกิดขึ้นแน่ตราบที่คําสอนของพระพุโทโธยังอยู่ยังอยู่ใช่ค่ะดังนั้นถ้าเกิดมีใครมาอวดอ้างว่า กัส ร, รุด้วยตนเองแล้วนะแล้วค่ะอันนี้ก็จะไม่ใช่แต่ถ้าเขาปรารถนาถ้าเขาปรารถ น, นาว่าเออฉันจะเป็นปัจเจกพุทโธในอนาคตการข้างหน้าอันนี้อาจจะเป็นได้อาจจะมีได้หรือฉันปรารถนาว่าฉันจะเป็นสัมมาสัมพุทโธในการข้างหน้าอันนี้เขาก็ปรารถนาได้ค่ะแต่ว่าอนุพุทโธในขณะเนี้ยมีเกิดขึ้นได้ใช่มีได้เราเราท่านท่านเนี่ย จะหานกล้าไ่ขึ้นไปถึงในระดับเป็นอนุพุทธโธพอได้ไหมคะท่านคะโอ้โหอันนี้พระพุทธเจ้าให้ทําเลยให้ทําเลยคุณต้องมาให้รู้แจ้งซึ่งอริยสัจสี่คำว่ารู้แจ้งนี่ใชท่านเข้าใ จ, จว่าโพธิเลยโพธิคือพุทธโธนี่แหละมาจากศัพท์คําเดียวกันอยู่ที่ผสมศัพท์ยังไงนะก็คือมาจากศัพท์คําเดียวกันก็คือให้มารู้แจ้งในอริยสัจสชักชวนเชนิญชวนสาวกทั้งหมดเลยเราต้องมารู้แจ้งให้ได้ในในชาตินี้อย่าพึ่งตาย ต้องมารู้แจ้งซึ่งอริยสัจสีให้ได้นี่นะให้ตื่นจากกิเลส ท, ทั้งปวงด้วยใช่ใช่ใช่เบิกบานด้วยการสิ้นกิเลส ท, ทีนี้ขยายความเข้าไปนิดหนึ่งคุณโยมติ๋วในเรื่องของคำว่าตื่นหรือว่าเบิกบานอย่างเงี้ยนะหรือว่ารู้เนี่ยซึ่งคำว่ารู้เนี่ยภาษาไทยเรามันใช้หลายไนยะภาษาไทยเราเนี่ยนะใช้ในคําว่าผู้รู้ก็อย่างที่เราพูดนี่คือพุโทโธใช่ไหม ใช้ในคําว่าระลึกรู้ในที่เราเจริญมาครั้งแรกก็คือสตินะราลึกรู้คําที่2องอนะใช้ในคําที่3คือความว่าหมายรู้นั่นก็คือสัญญาคําที่สามานะใช้ในความหมายที่4คือรู้สึกรู้สึกนะรู้สึกนี่คืเวทนานะใช้ในความหมายที่5คือความรู้นะซึ่งความรู้เนี่ยซึ่งหมายถึงแบบเราไปเรียนโรงเรียนมีความรู้ความเรียนอะไรตรงนี้ตรงนี้คือหมายถึงปริญญาณนะนี่คือคําที่5แล้วนะ แล้ยังใช้ในความหมายคําว่ารู้แจ้งรู้แจ้งนี่คือวิญญาณ6กแลนะหกแมีตั้งหกคำที่ใช้คําว่ารู้รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีเราพูดว่าคุณเป็นผู้รู้เราต้องคือบางคนจะอาจจะกําหนดปบทเพลงชนะไม่ตรงเป๊ะทําให้บางทีพูดว่าคุณต้องรู้รู้อยู่นะอันนี้ก็หมายถึงสติอย่างเี้ยเป็ น, นต้นก็ไม่ได้หมายถึงพุโทโธหรือไม่ได้หมายถึงวิญญาอะไรเงี้ย เป็นบางทีเราฟังเนี่ยเราต้องให้เข้าใจถึงตัวแม่บทเดิมนะ<ช>ว่า<ช>ที่ท่านพูดนั้นหรือท่านอธิบายนั้นหรือบริบทที่เรากําลังพูดถึงกำลังรู้เนี่ยมันรู้ตัวไหน<ช>ไเป็นต้นนะก็ซึ่งจะได้จากการที่เราค่อยๆสั่งสมสุดตะเรียนรู้กันไป<ช>ไม่ต้องตก ใ, <ช>ใจก่อนนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะฟังเร็วๆตายแค่รู้เนี่ยฉันก็ไม่ไม่สามารถจะรู้ได้แล้วทําไมมีมากมายเยอะแยะ ทิละวันทิละวันเนี่ยค่ะแล้วปฏิบัติควบคู่กันไปด้วยก็จะปรากฏในความรู้ที่เป็นความรู้ที่ถูกต้องมากขึ้ น, นาตามระยะเวลาที่ผ่านไปความรู้ที่คุณโยมติ๋พูดเนี่ยอันนี้คือพุทโธค่ะโอเคทีนี้ในการปฏิบัติที่ท่านได้บอกให้ปฏิบัติในเบื้องต้นเจริญสติเนี่ยนะคะเจริญไปเจริญไปความรู้ที่ควรจะได้รับ คืออะไรเพราะว่าเราได้พูดกันถึงระหว่างทางจะมีสิ่งที่เป็นปรากฏการเกิดขึ้นบางทีเป็นแสงสว่างบางทีได้ไปรู้อดีตการอของเราโเคเราคิดว่าใช่นะคะจริงๆแล้วเป้าหมายอยากให้รู้อะไรนม่คะคำว่าอย่างที่คุณยมติ๋วพูดว่ารู้แสงสว่างนั่นคือวิญญาณวิญญาณไปทําหน้าที่ในการรับรู้ใช่ไหมรับรู้แสงสว่างต่างๆทีนี้สิ่งที่พูดรู้คําหลังเนี่ยคือเราต้องมารู้อะไรคือ เราต้องทำความเข้าใจอะไรคำตอบก็คือว่าเราต้องให้เห็นถึงความที่มันไม่เที่ยงในความที่มันเป็นสภาพที่เป็นอนัตตาความที่มันไม่ใช่ตัวตนการเห็นตามที่เป็นจริงอ่ะพูดง่ายๆกันนะการเห็นตามที่เป็นจริงถ้าเราเห็นตามที่เป็นจริงเมื่อไหร่นั่นแหละคือพุทโธเกิดขึ้นในใจของเราในเห็นตามที่เป็นจริงนะคือมีพุทโธเกิดขึ้นในใจของเรารู้แล้วว่าอ๋อจริงๆมันเป็นอย่างนี้ยังไงที่ว่าอย่างนี้เนี่ย ก็มันไม่เทีย่ยงอย่างง่ายที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันขึ้นกับสิ่งอื่นอาศัยสิ่งอื่นเป็นเหตุปเป็นปัจจัยนะไม่ได้เป็นตัวมันของมันเองไม่ได้เป็นอัตราตัวตนของมันเองความที่มันไม่ได้เป็นอัตราตัวตนของมันเองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอนัตตา <Okay. S 1> เราจะเห็นนิมิตเครื่องหมายหรือคิวตรงนี้ได้เนี่ยจิตของคุณเนี่ยมันจะต้องมีแบบความคมความแบบเปิดตาเปิดอะ รู้อ๋อตรงนี้ใช่เนี่ยนั่นคือนั่นแหะคือพุโทโธเกิดขึ้นในใจของเราคือแบบมันอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองอย่างเงี้ยนะแบบอ๋อโมเมนต์เนี่ยนั่นแหละคือพุโทโธเกิดขึ้นในใจค่ะซึ่งโมเมนต์นั้นไม่ต้องไปถามใครแล้วจะรู้ได้เองด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ใชอ๋อนี่แหละเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเป็นพุโทโธ ม, มันจะแบบลักษณะว่าอใช้มไม่นั่งโง่มาตั้งนานเลยแบบมันมไม่ที่อย่างนี้เนี่ยเองอย่างเงี้ยนะ ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะคะจะเห็นอนิจจังที่ท่านว่าเนี่ยทุกขังอนัตตาลักษณะของไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ถูกต้องเลยท่านฟังฟังมาถึงตอนนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างฉันเองก็สงสัยบางเรื่องนะคะท่านถ้ายังพอมีเวลาะจะ ก, กลับเรียนถามว่าเอ๊ะทำไมบางคนเนี่ยก็ได้เชื่อเป็นผู้ปฏิบัติเจริญสติจนกระทั่งมีความสามารถในการปรุงแต่งของเ้าเนี่ยะจะเล่าให้เราฟังได้อย่างน่าสนใจตลอดเวลาแต่ ยังทําไมขี้หลงขี้ลืมอะคะ่ะเหมือนกับถ้าท่านพูดว่าสติหมายถึงระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแม้นานแล้วได้เนี่ยดูเหมือนกับเขาจําไม่ได้เลยแม้ยังพูดไม่นานนะคะอืมแต่อันนี้คิดว่าจะมาพูดคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้ได้ในเกี่ยวกับเรื่องของสติแล้วก็ความทรงจําตัวนี้ค่ะ <c oughs> ก็จะได้ทราบกันนะคะว่าเอ๊ะอย่างนี้เรียกว่าสติเจริญแล้วที่จําไม่ได้เนี่ยมันเป็นอีกคนละส่วนหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ใช่ นะคะก็กราบนมัสการขอบพระคุณท่านไปบูุญเป็นอย่างยิ่งค่ะมัสการค่ะตัวต่อไปคือระค้านั่นคือพระมหาไปบุญอภิปุณ โ, โนนะคะพุ่มโดยการหลักสูตรอีกร้านวัดป่าดอนายโซจังหวัดอุดรธานีที่เดือนนี้ในวันมรืนเนี่ยก็จะมีการเริ่มต้นของคอร์สปฏิบัติอีกหนึ่งครั้งแล้วมีทุกเดือนนะคะใครที่อยากได้ซีดีที่เราเรียกว่า MP ็สเสียงสนทนาในช่วงของ ท่านเพรื่นสนทนากับดิฉันสรรสีเ น, น, นี่ยนะคะของปีที่แล้ว12เดือนก็โทรศัพท์มาที่021266106ไปหาหรือกับเจ้าหน้าที่นะคะว่าท่านจะได้ได้อย่างไรมีจำนวนจำกัดนะคะต้องรีบแจ้งความประสงค์มาค่ะวันนี้เราลากันไปแต่เพียงเท่านี้สรนสนีสนทนาดิฉันสัรสนีนาคพง์ของพระคุณทุกท่านและพบกันใหม่พรุ่งนี้คะ่ะพุทธวัตรสวัสดีคะ่ะ